ให้ลองตังเกล็ดตึงเรืองตังเก ต, ตเบตึงว่าพันเท่าอายุไร้ขึ้นอายุไร้ขึ้นไายขึ้นนี่สีได้ไปยุงไปยุ่งไปเกลียวก็พ่วงตายนี่ไร้ขึ้นเดลหลายขึ้นผู้ที่เท่าผู้จักผู้ผู้จักผู้ลิ่งผู้แกนผู้ชนิดชนม์ก็เท่าตาย กันเทาอายุหลายถึงจะตายเพราะว่ามันคนตุ้มนั่นนะมันจะเป็นคนยุกเดียวจะไมเดียวก็เท่าหลานเท่าลึ่งเท่าแกนเทาหูจัดมันก็อายุหลายแล้วน่ะซุ้มนั่นล่ะตายอี่ขันมันตายแล้วเทาหูจัดกันว่ไปว่ได้ก็ต้องไปงันซบเขาหรือว่าขันเขาเพราท่านตายเขาปวยเขาเจ็บไขรเขาปวยไปยีรุ่งไปยีบ่งไปยีบานก็ได้ ไปเยี่ยมไปยามเขาใช่ไหมล่ะเนี่ยเขาจะได้ <c oughs> ได้ไกลจิตครับอุ้อมเจ็บอุ้มป่วยอุ้มตายเนี่ยหลายขึ้นหลายขึ้นนานั่นคือเขากาลังตายก็เห็นกุน่ะอันแม่งว่าเขาเห็นว่ากําลังตายโบเห็นแต่บัตรทจะไปจูดศพเขานี่แหละไปงันศพเขาแห้งเป็นพระนี่ยแห้งได้เห็นหลาย คนลึ่งกันแกนกันมูจักกันก็ได้เห็นก็ได้ไปจู่ไปเผาไปสวดม้อตรวดท้อนเขาคนบมูจักกันแท้ๆก็ได้ไปสวดม้อนเขาเัเสียแต่ว่าสรุปแล้วทนะันเท้าอายุหลายเท่านั้นในซ้อมมังกดมันที่ไดไ้ไปเรื่องคนตายนี่ดูเขาดูเขาฮะวันนี่ทันไปแล้วทันนั่งซ้อม ซ้อมเห็นแล้วเขาก็ดโง่กับขึ้นมาหาเจ้าของได้ป่ะเนี่ยงง่ครับกับขึ้นมาหาเจ้าของเอ๊ะปลุกกะอายุกะไรเรียเขาอุ้ยว่ากบคุณเดียวกันนีตัวเขาเท่าร้ายก็อายุายร้ายแล้วเขาเลยตายเนี่ยมันจะไปใส่ให้เหรียตายเนี่ยมันก็ตอดเขามาหาเฮานี่แล้วให้ขึ้นมาอย่างที่น่ะขึ้นมา มันก็มาไก่เข้าเด้วันมปนว่ามันมาไก่แค่ผู้นั่นอันที้มันมาไก่มันไก่ก็มาไก่ก็มาไก่มูไก่ผัวเข้าแล้วไก่ก็มาหาเข้าบาดเนี่ยเข้านี่ยเปนผู้พอท่านตายผู้มันสิดคุบเอาบาดซ้อไปเนี่ยก็เม่นเข้านี่ละนคือไว้ยังสี่เด็กอ้ลังค้นแต่พคืนดอกไอ้แม่ว้องกัรไวาเจ็บไปได้ป่วยก็คืเห็นแต่หมออันละคือเห็นแต่โรงพยาบาลอันละ แล้วก็คือเห็นว่าแต่สีเท้าเนี่ยเข้าหัวเองว่าได้ไปห้าหมอหัวหมอหมอหัวก็ะเท้าหมออยล่โรงพยาบาล น, นี่หัวบอ่อเท้าโรงพยาบาลพูนโรงพยาบาลปีนัคคลินิกโรงพยาบาลกรุงเทพซีรีลาคุลาหัวเท้าเาข้าคือเท่านั้นเลยคือให้มันไกลไปกว่านั่นว่ามันบอ่อเท้าบัตรทุดข์ไทยมันบอ่อเท้ามันตายพื้นเขาเ น, นี่ยล่ะเนี่ย ว่มตายมันมาใกลขม่าเลยๆว่อมจีงแมนเท้านี่แหละสอดเข้าไปหามันอ่ะเกาเข้าไปเกาเข้าไปหามันใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปเราเตรียมโตแล้วบม่บอลเตรียมโตให้เจ้าใดันคืดใจยังที่เราโอ้มันจีมหากูตัวบอลหาเอาเนี้ยมันจีดายด้วยแม้ว่าร่างกายนี่บ่ได้ล่ะมันจิไต่เนยนอนล่ะบมเมนเที่ยวนี้ก็เที่ยวหลังเที่ยวรุ่นก็จะต้องตายไปแค่ล่ะเนี่ยในทีชุดกั็นนั่นเดี๋ยวมันมันชนะ เขาเอาแนวแนวมันจิเป็นตะไดไปเนี่ยพระพุทธเจ้าเลยจังว่าบอกใจเห่าไหวนะในภาวนาท้ำบุญท้ำท่านรักษาศีลจะเริ่มภาวนาอันนี้ได้มันตะไดมันได้อยู่ใสมันไดอยู่ในใจเห่ากับถ้ำท่านก็ได้ควอมเบิกบานโฮมเย็นในใจรักษาศีลก็ได้ควอมเบิกบานโฮมเย็นในใจเนี่ยข้อมหมันคงควอม สะออนข้มยินดีในใจเลยใจมันดีขึ้นภาวนาอันภาวนาหัดทําใจสงบหัดยี่สติสมัชชัญญาเนี่ยใจมันกับนี่ําลังใจมันก็มีความหฮมความเย็นอันเท่าไรภาวนาอยู่เรื่อยๆนี่ยโอ้ดีหลายละดีหลายอันนี้ล่ะอันนี้เขาสีได้อันอื่นสุดแล้วเขงบังบรรสุดมันจบแล้วน่ยบ่ได้จักอย่างเนี่ยสี่ด้อันนี้ ในเป้าเทปเป้าเอาเวลากันข้นตายนากไปฟอไปพบไปเห็นเมนโบเมนญาดีน้องเข้าโบกจะกันกระตามแหละในน้องเขไม่เคยหยุของไงน้องเ่ากโอ้โดนไปกูกติเป็่อขเขาหนาแล้วตายทุกันไอ้คืดเนี่ยขันโบคืดมันก็ปล่อยไปยังแต่ละมันมันมีอย่งดีดอกมิแต่เขาไปเรื่อยเขาไปเรื่อยเพท่านดนไม่ต่าย หาลวงอ้ยอายุกั้งเก้าทิศคเนี่ยเห็นบอกหล่ะมันมาไกลหล่ะลงพอนูกแปดิหล่ะเจ็ดทิศแปดิ้าทิศหก ท, ท, ทมันใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปละมันบอท่านดนดอกคุณถเพิ่งวิวก่อนเท่านี่เพิ่งไปเนเห็นหลายว่าหลวงปู่เนี่ยเท่าฮอะไรเน่ะเพิอ่อายุตั้งเก้าทิศคุณ่ะเก้าทิศส า, ามคุณ่ะเพิ่กับไปแล้วเก้าิบสามก็ได้เนี่ยแต่อดท้มันรอยปีสองรอยีติดไปกันนั่นละ คือหาวิธีซเวโรสเยียมโตบอมเมนวาเซ่ให้ไปต่อจานมันกูพอตายดอกกูพอไปนะมึงหรอกอเวรฉันบอมเนทางซันเด้ให้เยียมโตให้ตายแท้แท้เว่ฉันเสียกันไดให้รักษาใจให้ได้เด้อรักษาใจให้ได้ตอมใจไม่ได้ให้มันอยู่สงบมันจิตเจริญหน้าเห็นจริงเป็นวาลางกายหนึ่งมันโอ้ยมันเป็นของเขาตัวบ่าดไอแท่ ที่วัดจะของเฮาของเฮาเฮ า, า, า, า, า, ากินเผาคุดต่อไปถึงคนรู้เขาเอามาได้ใส่เขาเขาเอามาได้เขาเดูว่าไมา่ได้ดินน้ำไปร่มชื่อของโลกเขาเนี่ยปั้นนั่นวัดจะต้องจาของเนี่ยคือเห็นแล้วโอ้มันเป็ น, นองเขาอีนี่เลยเอาบอ่อนหยาดเขาดอกบานนี่บอ่อนหยบ่อตอบต่อตานเขาลไไะไปไปกับไปค่ะเขาก็ท่งใจเจาะของไว้ยังให้มันแค้ไปน้า มันดได้วิธีมันมันมีวิธีอยู่เด้อันเท้าหัดชาแเดี๋ยวนี้เห็นยังเห็นยังกับซ้อมแน่เห็นอันต้องซิงต่างๆเดี๋ยวเห็นได้ยิ่งมุนอ่ะซ้อมเขามามาตัดเตือนเจ้าของตัดเตือนบให้ประมาทให้หูมื่อเจ้าของอยเรื่อยให้หาวิธีพดเอาวิธีค่อยอยู่เรื่อยเด้มนกันสั่นโม่หม่อมเด้เหนียวอุติมาบอก ยังสี่มันก็ดนไปกับบมี่ดอก เ, เขาสีบล็อกแน่วอื่นมันมวนกานี่โดนไปกับสีบูมี่ผูเบาแน่วยังสี่เนี่มันของจริงกันได้เราเต็มอเขาก็พระเขาก็บเบาดอกเขาวามันบกเปลนมงคลเขาวางกันเนี่ยผัิเบาของจริงค้อมอจริงยังสี่สูส บ, บมูมีเขาสีบล็อกเรื่องเขามวนเปลี่ยปนประโยชน์ยังเนี่ยมึงได้ถ้ากันพิจารณาบัวจเจลืองตายดอก เรื่องคนป่วยนี่เนี่ยเขาไปเยี่ยมไปยามเขานี่ยผู้นั่นป่วยผู้นี่ไข้ผู้นั้นเป็นส้มส้มสุดส้มเป็นคนอมโรคอมไข้แดงบวชแข็งแรงเลี่พิจารณาหน้ารถเฮยเข้ากันเดียวกันนี่แหลวมีจีนมีหนังคือกันเมื่อที่ไปใสเนี่ยคลึกว้างกันเยี่ยมโตโรดหวายจะทรงใจนี้ส้มไม่จ่มเบ้าฟองมันโบได้หยังแท้แท้มันก็ได้ฮู้เมื่อเจ้าฟองเด็ดมันก็ได้ด้ว นะ